แต่ทีนี้ธรรมะที่จะทำให้ละสุภาพวิปลาสวันก่อนเราพูดถึงอสุภาพนิมิตมีอยู่การโยนิโสมนศิการในอสุภาพนิมิตมากอันนั้นเป็นอาหารเพื่อที่จะละการมาฉันทานิวร์นนะใช้คำว่าอาสุภาพนิมิตใช่มที่ที่แสดงช่วงนี้นะอย่าไปคิดอะไรมากพยายามจะโยงให้ดูเกี่ยวกับหลายๆเรื่องด้วย อสุภานิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอสุภานิมิตนั้นเป็นอาหารเพื่อ <_ d ata> เพื่อตัดอะไร <_ d ata> เพื่อละการมาฉันทานิวรณ์ทีนี้คาว่าสุภานิมิตเนี่ยมี2อคืออ่าตัวอะไรอสุภารมกับอสุภาภาวนาอานอสุภารมกับอสุภาภาวนาอสุภาร ม, าารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่ ไม่งามกับอสุภะภาวนาคือกุศลจิตหรือชานจิตที่เกิดจากการเจริญอสุภะตัวอสุภารมอสุภาอารมณ์ที่ไม่งามมีอยู่กี่อย่างอาของไม่งามมีกี่อย่างอารมณ์ที่ไม่งามมีสองอย่างคือในสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งกับไม่มีชีวิตอันนะ มีชีวิตก็คือกลุ่มอาการ32เนี่ยนะก็คือกลุ่มเนี่ยเป็นต้น น, นะนะถ้าพูดกลุ่มนี้นะถอยหลังมากลุ่มนี้เกือบทั้งหมดเลยและอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มไม่มีชีวิตเพราะในสติปัฏฐานบัพพะเนี่ยจึงให้พิจารณาไม่เฉพาะแต่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นจึงให้พิจารณาสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเพื่อที่จะกําจัด กา ม, มาฉันทะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางคนนะพีจารณาที่เป็นๆ น, นะมันไม่ค่อยสังเวชหรอกนะถ้ามีคนตายให้ดูบ้างเนี่ยนะก็สังเวชมากแต่ที่นี้ใครจะตายให้ดูเราก็ต้องไปดูเองที่ป่าช้าอย่างเงี้ยนะใหม่ๆก็มีคนเชิญไปเขาก็ตืน่นาดูเลยนะคุณต้องไปดูให้ได้นะ <laughs> อย่าพลาด <laughs> สังเวชกลับมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วก็ไปดู ซากศพทั้งหลายที่ตายเนี่ยนะก็ซากศพทั้งหลายที่ตายก็ตายตั้งแต่วันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันโรคบางอย่างนะตายแค่วันเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นเขียวขึ้นอืดเต็มทีแล้วนะก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดการมรรคาเนี่ยนะก็พิจารณากายนี่แหละว่า กายนั้นฉันใดากายนี้ก็ฉันนั้นกายนั้นฉันใดากายนี้ก็ฉันนั้นก็พิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาให้มากๆทีนี้ศพทั้งหลายเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่ตายวันแรกๆอ่ะนะหนวันเป็นต้นจนถึงเอาว่าว่าตั้งแต่ต้นจนจนจบเลยก็คือถึงกระดูกนี้เป็นผงเอามาตําใส่ครกและจุดพลุได้นะเรเอาขนาดนั้นนะแต่ถ้าก็มีอีกสองกลุ่มก็คือเก็บจนมันผุเป็นปุ๋ยไปเองเหมือนกัน ทีนี้ก็ก็มาแบ่งซากศพที่ที่ตายอย่างเงี้ยเป็นซากศพที่ตายวันสองวันจนถึงซากศพที่ขึ้นอืดพองปริมีนอนหรือซากศพที่กระจัดกระจายซากศพที่เอ่อกระจัดกระจายเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยนะก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าน่าจะผ่านตากันมาพอสมควรแนะก็ระลึกเอานะนะนะพี่ช น, นะ จนถึงว่าไอ้ที่เขียนไว้ว่านายกนายขอแล้วมันมีช่องเจาะปูนหน่อยๆตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นอนะ่ะให้รู้ว่ากระดูกผงอยู่ตรงนั้นแล้วอีกไม่นานนะถ้าเปลี่ยนจเจ้าว่าเปลี่ยนวัดเปลี่ยนกําแพงใหม่นะกระดูกนั้นเขาจะตัดทิ้งหมดเอากระดูกคนใหม่มาใส่แทน น, น, นะนะก็ถ้าลูกหลานตระกูลใหญ่หน่อยก็อาจจะเก็บไว้ต่ออีกยาวเิดหนึ่งแล้ก็นในที่สุดก็แหลกเป็นผุยผงหมดเพราะฉะนั้นการพิจารณากายานุปัสสนาก็คือการพิจารณา มหาพูดกับอุปาทายรูปเนี่ยนะมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปโดยประการต่างๆเนี่ยนะนับตั้งแต่ลมหายใจเข้าเป็นข้อแรกข้อที่สองก็อิริยาบถข้อที่สก็สัมปชัญญะข้อสี่ก็ปฏิกูลมณสิการข้อหก็ท่าสีหลังจากนั้นก็ไปเปรียบเทียบพิจรารณาซากศกโดยประการต่างๆ การพิจารณาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่านี้รูปอิติรู ป, ปังว่านี้รูปนะการพิจารณาที่กล่าวไปเนี่ยเรียกว่าคนรู้จักรูปเห็ไ อ, อ้คำว่านี้รูปในพุทธพจน์นะไม่ง่ายเหมือนกันนะบอกว่านี้รูปมันไงแ รูปจริงนี่รูปไหนกอันนี้ก็รูปจริงเหมือนกันอันนะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนมาที่อนะที่กล่าวไปเมื่อกี้นะกับที่กล่าวไปเมื่อวานก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนิดหน่อยแต่ว่าจะคล้ายคลึงกันนั่นนะอันนั้นก็ว่าไปตามสมควรแก่การสถานที่และเวลา การพิจารณาอย่างที่กล่าวไปนะทีนี้ถ้าย้อนมาที่ขันธบ พ, พะขันธบ พ, พะเนี่ยนะพระองค์แสดงว่าอย่างไงบอกว่า อ, อีกประการหนึ่งพิจารณาโดยความเป็นขันใช่ไหมเนีย่ยน ะ, ะพิจารณาเห็นดังนี้ว่านี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความ เสื่อมไปแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความเสื่อมไปแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความเสื่อมไปแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนี่นะพิสูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็น อย่างนี้นะเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างนี่นะอันนี้ก็เป็นข้อความในขันธบัพะทีนี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคแรกก่อนว่าอิติรูปัง <S <S กิตตินี้บางทีก็แปลว่านิรูปนะนะนิรู ป, นะรปถ้าจะกล่าวเขาว่านิรูปอะไรคือรูปเมื่อกี้ก็บอกว่ารูปคือมหาพูดกับรูปที่อาศัยมหาพูดคืออุปาธายรูปนนะมหาพูดก็ขยายเป็น สี่ประการก็แตกๆตกตกต ก, ตกอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะทั้งหมดนี้รูปถ้าพูดถึงความเป็นไปของรูปก็มีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกผุ้ยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะอันนี้คือทั้งหมดที่ว่าเนี่ยคือรูปความจริงของรูปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ ก็จริงๆนะชีวิตเราถ้าตอนนี้ถ้าจะสำคัญหน่อยก็ลมหายใจนะถ้าลองไล่ไๆ่่ถ้าจะมองชีวิตไปข้างหน้าเรื่อยๆในที่สุดกระดูกมันก็แตกเป็นผุยผงนะก็อีกชีวิตหนึ่งว่าแต่ว่าโดยชีวิตในการพิจารณารูปก็มีเท่านี้ทีนี้บอกว่านี้ความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยนะ แล้วรูปทั้งหมดเนี่ยนะกว่าจะมาหายใจได้จนกระดูกแหลกเป็นผุยผงทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยรูปนั้นมาอย่างไรเหนมนะสมุทัยเนี่ยนะความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยรูปเนี่ยเกิดได้อย่างไรนะถ้าจะกล่าวถึงความเกิดขึ้นของรูปก็ต้องว่าเป็นกล่าวเป็นรูปรูปไปใช่ไว่าว่าโดยรวมๆ ม, ม น, นะผู้ที่เรียนรู้เรื่องรูปเช่นมหาภูตรูป มหาภูตา ร, รูปนี้ก็ต้องมาแยกๆลงไปอีกเช่นนะถ้าไล่ามาโดยอาการ32นะผมคนเล็บฟันหนังนะถ้าแยกว่านี้รูปอิติรูปังนี้รูปในผมมีกี่รูปย้อนนะผมนี่ก็มีที่เราเคยเรียนมาก็44รูป 4ีรูปประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากกรรมอย่างหนึ่งเกิดจากจิตอย่างหนึ่งเกิดจากอุตุอย่างหนึ่งเกิดจากอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากกรรมคืออะไรกรรมก็แบ่งออกเป็นเป็นสองเนี่ยนะในกายนี่นะคือกายะทัศกะ10รูปภาวะทัศกะอีก10รูปจิตเนี่ยนะ เวลาใครเคยขนหัวลุกมั่งนะค่ายนั้ น, นจิตตชรูปเป็นหลักเลยนะที่มันชัดๆใหญ่ๆเลยนะอันนั้นก็มีอีกกี่รูปทั่วๆไปก็8รูปและอุตุอีก8อาหารอีก8รวมเป็น44รูปนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปมาจากกรรมจิตอุตุอาหารนั่นแหละเป็นความเกิดขึ้นของรูปเพราะได้ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รูปจึงเกิด ทีนี้ตัวที่เด่นหรือเน้นเป็นพิเศษที่ทําให้รูปเกิดเนี่ยนะก็สองตัวเนี่ย ท, ท, ที่ตรงนี้เด่นเน้นมากคือกรรมไมชรูป น, นะกรรมมชรูปแล้วกรรมเนี่ยทำไมจึงให้เกิดเป็นกายมาจากอะไรทําไมจึงให้เกิดเป็นภาวะก็มีแม่กันใช่ไหมหลืมไม่ได้ถ้าคุณแม่ น, นะแม่ก็คือตันหา อย่างนะั้นทั้งคู่มาจากตันหาเลยนะตันหาที่ทําให้เกิดกายเป็นตันหากลุ่มไหนชินแล้วเกินรู ป, ปรตันหา <is> <laughs> ต้องเป็นโพธพาะตันหาเอาทวารกายก็มาจากโพธพะะตันหาใช่ัหมที่ผมนะกาย นะที่ผมเนี่ยมีกายกายภาษาธาตุนะกายภาษาธาตุเกิดจากกรรมที่มีโพธพภะตันหาเป็นตัดใจอ่ะแล้วภาวะแหละสมมตนะิแล้วแต่ว่าแบ่งเป็นชายใช่ไหมชายกับหญิงอันนี้ว่าแบบไม่ซับซ้อนนะว่าแบบตรงๆงเลยนะก็เพราะว่าสมมุติธาตันหานะผู้ที่เป็นผู้ชายเพราะมียินดีในหญิง ตันหาที่ชอบหญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็มีตันหาที่ชอบผู้ชายเนี่ยเป็นปัจจัยเว้นแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยนะมีการเมสุมิจฉาจาร์เป็นปัจจัยอันนั้นก็ก็อีกในหนึ่งอนะันนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะซับซ้อนบ้างละแต่ถ้าว่าแบบธรรมดาตรงๆเลยนะก็ถ้าเป็นผู้ชายโดยมากก็มาจากชอบหญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็โดยมากก็เพราะชอบฝ่ายชายนะ่ยนะแต่อ้าวแล้วผู้หญิงบางคนก็ไม่เห็นชอบผู้ชายอะไรเลย ก็คนนั้นก็พัฒนาจะไปเป็นชายต่อไปอนี่นะแต่ถ้ายังยินดีชอบเครื่องแต่งตัวชอบความสวยงามก็เป็นหญิงอีกเรื่อยก่อนอนะเพราะนั้นก็ตันหานั่นแหละแต่ตันหาประเภทนี้ชื่อตรงเต็มว่าธรรมะตันห า, านี่นะธรรมะตันหานั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยจึงทําให้มีภาวะรูปแต่ทําไมจึงชอบนั่นนะถามว่า อ้าวทำไมจึงมีโพธาภะตันหาจึงมีธรรมะตันหาล่ะไม่ชอบไม่ได้หรือไม่ชอบไม่ได้หรือแต่มนิดทำไมต้องชอบด้วยทำไมต้องชอบโพธภะตันหาทำไมต้องชอบธรรมะตันหาไม่ชอบไม่ได้หรือบอกไม่ได้เพราะไม่ฉลาดอ่ะเพราะอวิชชาหรือที่เรียกว่าเพราะไม่มีวิชานั่นเองคือไม่มีวิชาไม่ได้แทงตลอดอะไรไม่ได้แพงตลอดนะว่าตรงๆก่อนนะ โพธาภะโพธาภะสมุทัยโพธาภะนิโรธโพธาภะนิโรธขามินิปฏิปทาเพราะไม่แทงตลอดอันนี้พอจะพ้นทุกข์ได้เคอตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดเท่านั้นสิ่งไหนนะถ้าอาวิชชาไม่ปิดจะไม่ชอบสิ่งนั้นแต่เพราะอาวิชชาเนี่ยมันปิดโพธพระเนี่ยนะเอาไว้ตันหาก็เลยชอบโพธพภะ ทีนี้ธรรมะแหะก็ไม่ได้แทงตลอดว่าธรรมะธรรมะสมุทัยธรรมะนิโรธรรมะนิโรธัาคามินีปฏิปทาเพราะไม่แทงตลอดอวิชชาหอหุ้มสิ่งเหล่านี้ตันหาก็เลยฉาบทาพอตันหาฉาบทาก็ล่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นเป็นกายและเป็นภาวะพอมีกายมีภาวะนะัก็ประวัติศาสตร์ก็โดยมากก็ซ้ํารอย คนที่สูบบุหรี่คือคนที่เคย ag, สูม like บมาแล้วอันนั้นก็มวลก่อนมาเป็นปัจจัยกับมวลหลังไงเพราะฉะนั้นก็ไอ้กายที่เกิดเนี่ยนะเพราะอาศัยโพตาภะตัณหาในอดีตอาศัยกายมาเพื่ออะไรกายนะมันแสวงหาโพธาภะแสหาโพธาภะอยู่ตลอดนะเช่นเวลามันเย็นนะมันต้องการยังไงพอกายมันเย็นนะมันต้องการอุ่นเวลามันร้อนต้องการเย็นเพราะฉะนั้นมันก็เสาะแสวงหาใหม่คือ โพธพระนันะโพธะพระอันนั้นก็จะมาระบบมาเข้าโพธะพระตันหาเมื่อมีโพธะพะตันหาก็ทากรรมพอกรรมมาอีกก็ทำให้มีกายแต่นะไอตรงนี้มันเตือนอย่างหนึ่งนะคำว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ตันหาจะชอบอย่างเดียวแล้วแหมตันหามันจะให้กายที่ดีอย่างคิดไปหมดนะไม่ใช่มันอยู่ที่ กา ม, มโยนิกรร ม, มะพันธุกรร ม, มะปฏิสารโนโรทีนี้กรมก็คุยเอากันแล้วกันมีว่าตรงๆแบบมนุษย์กามมาพบนั้นมียี่สิบดวงะนะมากไปด้วยดวงไหนก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าไปว่ามันควรจะราคาเท่าไหร่นะนะ <c oughs> นนะถ้าทำเหตุดีก็กลัวทำไมที่แบบใครนะ วิทูุบัณฑิตใช่ไหมวิทวุฒิบัณฑิตนะยักษ์เขาฆ่าวิทูุบัณฑิตมากเลยนะวิทวุฒิบัณฑิตไม่ตกใจอะไรเลยนะก็ยังยิ้มเหมือนเดิมนั่นแหละเขาบอกฆ่าตั้งนานไม่ตายสักทีนะเขาบอกอ้าข้าพเจ้าจะไปกลัวตายทําอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปไหวกับ่ากันการก็ระลึกถึงกุศลศีลเอาไว้เนี่ยจะเป็นหนักใจทาอะไรร <c oughs> ะลึกถึงพุทธคุณมีสาระน่ะสักอย่างทีนี้ พิจารณาอย่างนี้นะต้องไล่เป็นอย่างๆไปนะนะ่ยนะว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปเพราะว่าในบางคนนะีมีความสุขกับการแต่งผมมากที่สุดในะชีวิตเนี่ยนะถ้าได้แต่งผมเน้่หมมันมีความสุขสระผมย้อมผมแต่งผมเปลี่ยนทรงผมอะไรเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีความสุขกับสิ่งนั้นบางคนเนี่ยมีความสุขกับการเอาไว้ผมให้มันยาวๆวมานั่งสักนั่งย้อมนั่งเช็ดเกี่ยวกับเรื่องผมอยู่นั่นแนหะนีนะนะบางคนเนี่ยนะ คุณนภาเห็นไหมไอ้ที่แต่งนวดอ่ะ น, นะแขกขับรถอ่ะ น, นะมันนั่งบิดนวดอยู่นั่นไหนอันนั้นสายน้ํามันแล้วบิดหนวดอยู่นั่นไหนา น, น, นนะานนนะนนนไนงไง่ตูด้าเดินแสดงว่าไม่ได้สังเกตไอ้คนขับรถอ่ะ น, นะผมเขายาวคือคือข อ, องขมันมีกลุ่มบางลทัทธิเขาจะไม่ตัดผมอันนะไก่ก็บอกว่าคนเนี้มาจากสายสาศาสนาไหนเขาจะบอกเลยนี่ไม่ตัดผมนะมาจากาศาสนานี่เขาจะบอก เพราะฉะนั้นก็กด <_ an> ผมออกมาแล้วก็เย็บ <_ an> เย็บเย็บเยออไม่ใช่มาหวีหวีหวีแล้วก็ม้วนม้วนมวนแล้วก็เอาผ้าโปกนะสร็จแล้วเข้ามาแต่งหนวด<_ an> <_ an> แต่งหนวดวนะนะบางเจ้าก็แต่งเคราใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มน้อยๆ น, นะอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งไม่อสองที่นะแต่งหนวดกัแต่งเคราผู้หญิงก็แต่งคิ้วกับขนตาเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไอ้คิ้วกับขนตาเนี่ยก็แต่งคนนั้นบางผู้มีเพลิดเพลอใน โลมาเนี่ยมากเพราะฉะนั้นก็ที่จรณาโลมาไปว่าไอ้ตันหาที่เพลิดเพลินในโลมาเป็นเหตุให้มีโลมาต่อไปเนี่ยนะแต่ที่นี่ว่าขนมันจะเป็นขนแบบไหนขนปุกขนปุยขนยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ตามสมควรแก่กรรมไปก็เนี่ยนะถ้าไม่ผมก็ขนใช่ไหมไม่แต่งขนก็แต่งเล็บเห็นมว่างๆก็นั่งแก่เล็บอยู่้นะนะไม่มีอะไรทำนะก็แต่งเล็บไป อันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันความสุขอ น, นบางพวกก็หาอะไรมาเคี่ยวนะเล่นกับฟันไป น, นั้นบิดกรามเล่น น, นั้นก็ผมขนเล็บฟันเนี่ยนะที่เหลือก็แต่งผิวนนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนัง น, นะนะแต่สิ่งเหล่านั้นจะ แ, แ, แต่งขึ้นหรือไม่ขึ้นก็องค์ประกอบสำคัญอีกคือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกและก็ไตเนี่ยนะอะรที่จะมาแต่งพวกนั้นได้ก็องค์ประกอบมาจาก ข้างใ น, นพระพุทธเจ้าจะแสดงก็ค่อยลึกๆๆๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นฐานในหลายเรื่องก็เพราะการพิจารณาเจาะลึกลงไปเรื่อยๆจะทำให้ละคลายในตัณหาในสิ่งนั้นๆได้หลันในคำว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปจึงต้องพิจารณาเป็นกล่าวเป็นรูปรูปนั้นๆไปเนี่ยนะก็พิจารณาไปโอ้ แต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วนะนะเกิดจากความเพลดิดเพลินในในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่ยนะอยู่งนี้เฉยๆนะเราจะไม่รู้บอกว่าเราชอบตับหรือเปล่าแต่ว่าขอตับหน่อยเงนะอยอมไหมนะนะนึกหวงขึ้นมา ท, ทันทะีเลยนะจริงๆเราชอบหมดทุกเรื่องเลยนะในะที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะนะนะชอบหมดเนยนะนะจะมีตันหากับทุกเรื่องไอ้ตันหาที่เพลดิดเพลินในวัตถุเหล่านี้เป็นปัจจัยให้มีกายต่อไปเนี่ยนะนะ แต่ว่าถ้าพูดถึงคําว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปรูปถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าชาตใช่ั้ยถ้ารูปจะเริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกรูปนั้นเรียกว่าชาตทีนี้ชาตของรูปนะก็ต้องแบ่งตามอะไรถ้ากล่าวโดยพบพบสามที่เป็นการมมาพบการมมาพบก็แบ่งเป็นทุกคติ กับสุขติแล้วก็รูปประพบนะฮรูปประพบไม่มีรูปเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็เป็นอสัญญาสัตว์เนี่ยนะอสัญยาสัตว์ก็ก็มีแต่พบที่มีแต่รูปอย่างเดียวพบสพอในเกิดพบสามก็ต้องมาไล่ต่อไปอีกว่าในบรรดาพบเหล่านี้เช่นทุกคติเนี่ยบางพวกเกิดในไข่บางเจ้าเกิดใน คันบางเจ้าเกิดอะไรอันนั้นก็สังเสริฐชาณ์นะพวกของสกปรกบางพวกก็เป็นอปาติกะเช่นนรกอย่างงีน้นรกก็ไม่มีเวลาอยู่คันอยู่แล้วทีนี้พวกที่เกิดในไข่ก็แบ่งออสายพันธุ์ไปอีกใช่ไหมสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็ว่าไปไล่ไปตามนั้นไปอีก พวกสุคติก็มาแบ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นสุคติก็แบ่งออกเป็นสองอีกที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็เอากําเนิดมาจับเนี่ยนะว่าเกิดจากกําเนิดไหนเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามองโดยอันนะชั้นแรกโดยพบโดยคติโดยกําเนิดนนะแล้วก็ลงพวกนี้เจาะมาเจาะลึกอีกว่ามันปฏิสนธิด้วยจิตดวงไหนนําเกิด เช่นนะพวกมนุษย์เทวดาทั้งหลายในที่เป็นมนุษย์กับเทวดาก็เป็นนน์กายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันแต่พวกอบายทั้งหลายโดยมากเป็นกายต่างกันนปฏิสนธิจิตเหมือนกันการใครข้ครวญในสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรพิจรารณา ส, สัตว์วิญญาณทิติและสัตวว่าด้วยนะพิจารณาวิญญาณทิติด้วยและสัตวว่า ด, ด้วยจะได้รู้ว่าออรูปที่เกิดขึ้นณนะแต่ละที่ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงถามว่าถ้าไม่พิจารณาล่ะไม่พิจารณาก็บางพวกก็ไม่ได้พิจารณากว้างขวางขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆนะ ต้องเบื่อหน่ายในรูปสร้างไม่มีความหวังต้องการรูปอีกแม้แต่หน่อยเดียวเลยเนี่ยนะถ้าคือสูตรของเขามีอย่างนี้นะว่าผู้ที่จะรู้เรื่องรูปจริงๆนะหนึ่งไม่อะไรในรูปที่เป็นอดีตเนี่ยนะไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรอาวรกับรูปทั้งหลายที่เคยมีในอดีตทั้งหมดเลยอย่างที่สองไม่หวัง รูปที่จะมีต่อไปว่าจะต้องการรูปชนิดไหนที่เหลือทำไง ป, ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายนคลายกาหนัด น, นะเพื่อความดับรูปในปัจจุบัน น, นี้สูตรเป็นอย่างนั้ น, นที่เหลือก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำหนัดในรูปในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นก็จึงจะทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าหากว่าไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดเลยเนี่ยนะอยู่เฉยๆก็ก็รอดูว่ารูปแบบไหนมันจะเกิดต่อไปอีกก็แต่จะสมควรแก่กรรมบางท่านเอาถ้านั่งอยู่เฉยๆเป็นกรรมไหมครับว่างั้นไม่ทำอะไรฉันั้ น, นั่งเฉยๆกันแล้วกันนอนดูทีวีไปวันๆหนึ่งจะได้ไม่ทำกร ร, รมใหม่ใช่ไหมนั่นก็ชักกรรมเหมือนกันนะ แต่เป็นกรรมที่ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอาชีพนะคนทั่วๆไปจะเรียกอะไรกรรมก็เมื่อเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วๆไปใช่ไหมจึงเรียกสิ่งนั้นๆว่ากรรมแบบโลกๆเขาะนะแต่จริงๆของเราพรงกภาพกระพริบตาเหลียวซ้ายแลขวานั่งฟุ้งไปกรรมหมดนะ่ะเห็นไหมเพราะฉั้นกรรมเหล่านั้นก็ก็มีผลเสมอเห็นไหมก็ตามสมควรกัเหตุไปอันนะัทั้งหมดนี้ที่กล่าวไปเนี่ยนี้ความเกิดขึ้นของรูป นั้นถ้ากล่าวถึงการเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้นะก็พิจารณาวัตตะได้หมดเลยว่ารูปทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตรูปทั้งที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในรูปที่เป็นภายนอกรูปที่หยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนั่นนะทั้งหมดเหล่านั้นก็คือก็คือรูปเนี่ยนะแต่ว่ารูปทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ถามว่าแล้วความดับของรูปคืออะไรเนี่ยนะก็ถ้าอาวิชาดับ เนี่ยนะแทงตลอดอริยสัจนะคือรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามมนีปฏิปทาเนี่ยนะแทงตลอดว่านี้รูปนะนี่รูปสมุทัยนี่รูปนิโรธนี่รูปนรธาคาเมนีปฏิปทาอันนั้นก็เป็นวิชาที่จะทําให้ให้ดับรูปหรือเป็นข้อเป็นวิชาที่ทําให้ดับรูปโดยอาศัยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของรูปแต่ว่าไม่ใช่จะดับง่ายๆนะ เพราะไรเพราะรูปมันมีอัศธาธะเกินเห็นไหมก็ใครไปดูหมิน่นรูปใครได้ ท, ที่ไหนแล้วนะเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งอัศาธาเป็นอย่างมากเนีย่ยนะพระองค์แสดงว่าถ้ารูปไม่มีอัศาธะาแล้วซ้ายสัตว์ทั้งหลายจะไม่เพลิดเพลินไม่ติดข้องในรูปหรอกเนีย่ยนะแต่ว่ารูปมันมีอัศาธานะอัศาธาก็คือตัวรูปเองก็น่าปรารถนาด้วยนะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ฉันทราคาคือตันหาก็ยังเข้าไปปรารถนาใน ในรูปเนี่ยนะคํา่ารูปไม่ใช่สีอย่างเดียวใช่ไหมบางคนทวารตาไม่ค่อยติดหะแต่ทวารหูไม่ได้เลยนะบางพวกนี้ติดทวารจมูกมากบางพวกติดทวารลิ้นบางพวกติดทวารกายเนี่ยอ่บางพวกติดห้าทวารเลยก็มีบางพวกก็สองหนักไปทวารเดียวบางพวกหนักสองทวารบางพวกหนักสามทวารบางพวกหนักสีทวารบางพวกหนักห้าทวารเนี่ยนะ แล้วก็ทุกคนก็หาไว้ได้ครบทั้งหทั้งห้าทวาเลยนะบำรงไว้เบ็ดเสร็จหมดเลยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแต่อย่าลืมว่าเพลิดเพลินในสิ่งนี้เท่าไหร่ก็เท่ากับเพลิดเพลินอายาตนะภายในต่อไปในอนาคตนะเพลิดเพลินในรูปปัจจุบันแต่เป็นการสร้างรูปใหม่ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะนะทั้งหมดนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปที่จะต้องหมั่นพิจารณาว่าเออรูปเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ นะใครจะคิดว่าเราดูสีแล้วก็พูดถึงสีเพลิดเพลินกับการเห็นเนี่ยนะมันคือการสร้างจากสุ ต, ต่อไปข้างหน้าอันนี้เป็นความเกิดของรูปนะที่เป็นเหตุที่จะให้รูปเกิดต่อไปเพลิดเพลินในเสียงนะเอ่านั้นก็พิจารณาเสียงโดยวิปัสสนาถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลการเจริญวิปัสสนาก็เป็นปัจจัยให้มีหูต่อไปอีกถ้าถ้าไม่บรรลุนะถ้าไม่ไม่ตรัสรู้อริยสัจ เพราะปัญญาที่พิจารณานะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นปัญญานั้นก็ยั ง, ย, งยังนําเกิดอีกแต่ว่าเป็นไปในฝ่ายดีนะเป็นเป็นเหตุที่ดีนะเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสหรือการเพลิดเพลินในโพธภาพทั้งหลายยังอ ย, อยู่อย่างนี้นะเช่นไม่หนาวนักไม่ร้อนนักอย่าคิดว่าเราไม่เพลิดเพลินนะพอตารอกเช่นถ้าร้อนเกินไปกับปฏิฆานี่ยนะนะันก็แต่งจนได้พอดีนะตันหาก็ชอบนะ เพราะฉะนั้นก็เพลิดเพลินหมดถ้าเพลิดเพลินในโธาพธิภพเหล่านี้ก็เป็นเหตุแห่งกายต่อไปอะ น, นั้นก็การพิจารณาธรรมะเหล่านี้ก็ต้องหมั่นพิจารณาให้มากจริงๆเนี่ยนะซึ่งที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายที่ชัดภายในภายนอกเหล่านี้ต้องหมั่นอบรมไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจนบริบูรณ์จิงกระตัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าไม่พิจารณาหรืออบรมไตรสิกขา หรือที่เรียกว่าการบําเพ็ญสุจริตจนบริบูรณ์นี่ก็ยากที่จะตัดวงจรไอ้วัตะเหล่านี้ได้เนี่ยนะเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ที่ไม่มีอตติตังสยานไม่มีอนาคตังสยานไม่มีปัจจุบันนางสยานไม่มเีเรื่องตาทิพหูทิพไม่มีวิปัสนาญาณทั้งหลายผู้ที่ไม่มีวิ ช, ชาเนี่ยนะมีแต่จกักขูวิ ญ, ญญาณที่เห็นสีโสตะวิ ญ, ญญาณที่ได้ยินเสียงเขาจะไข้ครวนแบบนะยังไงเสียนะครับพูดแบบสัตว์ทั่วไปนะเหมือนมด มันคิดแบบสันส้นๆใกล้ๆนะโดยมากแต่แต่ว่าถ้าแบบของพระพุทธเจ้ามองขนาดไหนหนู่นขึ้นบนยอดเขาแล้วมองไกลมากเลยนะเห็นไหมพระพุทธเจ้ า, าศาสตรส่องปัญญาของพระองค์เหมือนกับดวงอาทิตย์นี่นะพระองค์นี่มีปัญญาประดุดดวงอาทิตย์นัเพราะนั้นเราก็อาศัยถึงว่าบอดแต่ก็บอดอาศัยบอดแบบมีผู้จูงทางหน่อยนะบอดแบบมีสาระไต่เหวไต่เขาก็มีเชือกต่ายบ้าง มันเราพิจารณาหรือเจริญพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนําอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นนะยิ่งทํามากยิ่งพันมากนะเนี่ยยิ่งยิ่งผูกยิ่งพันยิ่งสร้างวัตตะอย่างเงี้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะอย่าลืมว่าเพลิดเพลินในปัจจุบันคือความทุกข์ต่อไปในอนาคตนั้นในสูตรเขาพระองค์จึงบอกว่าไงนะเสียงหัวเราะของปุถุชนคือ เสียงร้องไห้ของพระอริยะอา้าทำไมล่ะก็หัวเราะแหะๆตอนนี้แหละจะได้ร้องไห้ต่อไปนะก็แค่เปลี่ยนเวทนาตอนนั้นเองเไหมอไออารมณ์ไหนที่ก่อให้เกิดโสมนัสอย่างมากอารมณ์นั้นจะ ก, ก่อให้เกิดโท ม, มนัสอย่างแรงเก็ศัพท์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ละนะก็หวังว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนก็จะ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันทั้งหลายผู้ที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันทั้งหลายก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้นี่เลยมาตั้งหลายนาทีแล้ววันนี้คุณบุญมีไม่มาไม่มีคนเตือนเวลานะี่